เรื่องนิชวิปเปริเพศหญิงหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตร่างไม่มีผิวนางเพศหญิง230สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรวุวรรสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาชิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะ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 ภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยัน์ก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นนิชวิปเปรย เ, เพศหญิงนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์ น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ําจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตหญิงตนนั้นเคยประพฤตินอกใจสามีอยู่ในกรุงราชครื้เพราะผลกรรมนั้น จึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัธภาพเช่นนี้พระเศษกรรมที่ยังเหลือโมคลาณะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่48